วันนี้เป็นวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2566 <c oughs> เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญที่ไปตรงกับวันอาทิตย์ทางราชการจึงให้มีวันหยุดชดเชยขึ้นมาสำหรับชาวพุทธ ผู้ที่มีจิตฝ่ายทำฝ่ายกุศลก็จะถือว่าเป็นการได้กำไรเวลาที่จะได้เอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเวลานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าประมาทเรื่องเวลาอย่าไปคิดว่าเราจะมีเวลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลานี้มันมันหมดได้สำหรับแต่ละคนคือ ชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออีกสิบปีข้างหน้าหรือยี่สิบปีไม่มีใครรู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ดังนั้นเราต้องรีบตักตวงประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรม ให้มากที่สุดตามเวลาที่เรามีอยู่ถ้าเราตาักตวงประโยชน์สุขได้ครบสมบูรณ์แล้วเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องพึ่งเวลาแนละ้วแต่ตอนนี้เรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราต้องพึ่งเวลา เราต้องมีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดัางนั้นเวลาใดวันใดถ้าเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราจึงควรที่จะ <c oughs> เอาเวลานั้นมาศึกษามาปฏิมาปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าที่จะเอาเวลาไปใช้กับการหาความสุขทางโลกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆหาความสุขจากการดูการฟังการกินการดืม่มการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มันเป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเพียงแต่ดับความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ก็ยังจะมีอยู่ต่อไปไม่เหมือนกับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะทำคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะกําจัดความทุกข์ ให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจอีกเลยและการที่เราจะศึกษาและปฏิบัติได้เราต้องมีความเพียรพยายามมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อเรามีเวลาแล้วอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ เอามาศึกษาเอามาปฏิบัติเพราะทําคคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ทำความเพียรเวลาที่เราไม่อยู่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์เพื่อให้เราได้เอามาสร้างความเพียรกันทำความเพียรศึกษาปฏิบัติพระทรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อย เพราะความเพียรเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นได้จากความเพียรหลุดพ้นจากความเพียรได้ด้วยความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความทุกข์จะไม่หมดไปถ้าเราไม่มีความเพียพรพยายามที่จะกำจัดมัน มันจะไม่หมดไป เ, spans, ไปเองมันจะไม่เสื่อมหายไปเองมันไม่เหมือนร่างกายร่างกายไม่ต้องไปกำจัดมันเดียวถึงเวลามันก็ไปเองร่างกายมันถึงเวลามันก็แก่เจ็บตายไปไม่ต้องไปทำให้มันแก่ไม่ต้องไปทำให้มันเจ็บไม่ต้องไปทำให้มันตายแต่ความทุกข์ใจนี้มันไม่เสื่อมไปตามสังขารร่างกาย ความทุกข์ใจมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่มีความภาคเพียรพยายามที่จะกําจัดมันนี่แหละคือความสําคัญของความเพียรถ้าไม่มีความเพียรไม่มีการปฏิบัติไม่มีการศึกษาความทุกข์ก็จะอยู่ในใจของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ความทุกข์มันก็จะหมดไปตามลำดับหมดสิ้นไปในที่สุดได้ความเพียรนี่เป็นธรรมที่สำคัญมากเป็นหนึ่งในองค์ของมรรคแปดคือสัมมาวายามโมความเพียรชอบมรรคก็คือ เครื่องมือที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปแต่มักก็ต้องอาศัยความเพียรเป็นผู้ผลักดันความเพียร น, นี้จงอาจจะเป็นเหมือนเครื่องยนต์ของรถยนต์ถ้ารถยนต์มีอุปกรณ์ต่างๆแต่ไม่มีเครื่องยนต์รถก็วิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้รถก็ต้องจอดอยู่กับที่ ถึงแม้จะมีพวงมะลัยมีอะไรครบไปหมดขาดอย่างเดียวขาดเครื่องยนต์ไม่มีเครื่องยนต์รถก็จอดอยู่ที่กับที่ไปไหนมาไหนไม่ได้มรรคนี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้คนขับคนนั่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันเลิศอันประเสริฐก็คือวิมุตตินิพพาน ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลาก็คือควรพยายามทำความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยิ่งทำมากเท่าไหร่งานที่เราต้องทำก็จะเสร็จเร็วขึ้นถ้าทำน้อยงานก็จะเสร็จช้าหรืออาจจะไม่ทันการเวลาอาจจะหมดก่อน ร่างกายอาจจะตายไปก่อนอาจม่อาจจะไม่ได้ตายด้วยความแก่ความเจ็บความชราอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้ไม่มีใครรู้มันมีวิธีการตายมากมายเหตุที่จะทำให้ร่างกายนี้ตายมีมากมายเพราะฉะนั้นอย่าประมาท รีบช่วยโอกาสช่วยเวลาที่เรามีอยู่มาให้กับการศึกษามาให้การกับการปฏิบัติทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้คิดถึงเวลาเหมือนกับน้ำที่โบราณท่านพูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะน้ำมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวแล้วมันมันขึ้นแล้วมันไม่ได้ตั้งอยู่ อย่างเดียววันหนึ่งมันก็ต้องลดลงไปแห้งขอดไปไปดูแม่น้ำต่างๆ่ช่วงที่มีน้ำเยอะก็ขึ้นมาเต็มฝั่งช่วงที่มีน้ำน้อยก็แทบจะมองเห็นพื้นเลยเห็นพื้นดินอัอนนี้น้ำยังขึ้นอยู่เรายังมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติ ว่าทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนอกจากมันเป็นงานที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นงานที่จำเป็นจริงๆนอกเหนือจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมก็คือการเลี้ยงงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องงานหาปัจจัยสี่หาอาหาร <c oughs> หาเครื่องนู่นห่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาให้แก่ร่างกายเพราะร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางรถยนต์ถ้าไม่ได้เติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมรถยนต์ก็จะวิ่งไม่ได้เราจึงมีงานจำเป็นที่จะต้องทำ นอกจากการศึกษาตับการปฏิบัติพราะทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็คือเราต้องเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่ควรเลี้ยงดูแบบ mm hmm. เกินความจำเป็น mm hmm. พระพุทธเจ้าสอนให้รักปฏิบัติเลี้ยงดูแบบมากน้อยสันโดษ mm hmm. โดยให้ดูตัวอย่างของพระที่พระเจ้าทรงสอนให้ ให้หาปัจจัยสี่กันหาอาหารด้วยการเดินบินธบัติวันละชั่วโมงนี้ก็พอล้อย่าไปเสียเวลามากกับการเลี้ยงดูร่างกายเดินบินธบาตวันละวันละชั่วโมงกลับมาก็ฉันในบาทฉันมื้อเดียวหลังจากเก้าโมงไปแล้วก็เสร็จแล้วเรื่องภารกิจการ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหลังจากนั้นเก้าโมงไปจนถึงวันรุ่งขึ้นนี้ก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติที่อยู่อาศัยก็เครื่องนุ่งห่มก็อยาก่าไม่ให้มีมากเกินไปให้มีพอใช้เท่านั้นเช่นมีมีมีผืนหนึ่งไว้หม่มไว้ใส มีเผลอหนึ่งไว้ซักถ้ามีก็สามมีสองเผลอนี้ก็สลับกันได้ซักเผลอหนึ่งหม่มเผอหนึ่งไม่ต้องมีมากมีเท่าที่จําเป็นที่วิวัยของพระยิ่งสะดวกยิ่งง่ายใหญ่ไม่ต้องสร้างกุฏิไม่ต้องสร้างบ้านสร้างอะไรให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาที่มีต้นไม้ ที่มีกิ่งไม้ใบไม้ที่สามารถเอามาทําเป็นเพิงหลบแดดหลบฝนได้หรือไปอยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผามเป็นที่ที่สามารถใช้หลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วหรือถ้าไม่มีในยุคปัจจุบันนี้พระท่านก็จะมีกรดกับกับม้งมกรดก็คือร่มใหญ่ๆเรียกว่ากรด แล้วก็มีมุง้งครอบลงมาจากจากกรดอีกทีไว้ไว้สำหรับให้พ้านั่งพระนอนในนั้นได้เวลานั่งสมาธิก็นั่งในกรดได้เวลานอนก็นอนในกรดนี่แหละบ้านของผู้ปฏิบัติแบบมากน้อยสันโดษไม่ต้องมาวุ่นวายกับปัจจัยสี่เกินความจำเป็น ส่วนยารักษาโรค ก, ก็รักษาด้วยยาดองน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะนี้ดองผลไม้เช่นสมอเวลาเกิดโครคภัยไข้เจ็บเจ็บท้องปวดหัวอะไรก็ดื่มน้ำนี้ไปมันก็หายได้ให้เรียบง่ายอย่ายุ่งยากอย่ายให้เสียเวลา มากเกินไปกับการเลี้ยงดูร่างกายเอาเวลามาให้ได้มากที่สุดให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมนอกจากงานหาปัจจัยสิแล้วก็ไม่ควรจะมีงานอย่างอื่นแล้วถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติธรรมนี้งานบุญงานกุศลก็ต้องละงับไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเอาเวลา อันมีค่าไปจากการปฏิบัติธรรมบุญที่ได้จากการทำบุญทำทานต่างๆนี่มันได้น้อยกว่าบุญที่ได้จากการปฏิบัติฉนั้นควรจะให้เวลากับการปฏิบัติให้มากที่สุดถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ก็ค่อยลด ฐานะการปฏิบัติจากการปฏิบัติสมาธิปัญญาก็ลดลงมาที่การรักษาศีลทําบุญทําทานไปก่อนแต่ก็ทําไปก็ต้องมีเป้าหมายเพราะเราต้องการที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะภพนี้ชาตินี้เป็นภพเดียวชาติเดียวที่ อาจจะเกิดขึ้นกับเราที่เราได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับผู้นําทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์คือคําสั่งคําสอนของพระบรมศาสดาพระอหลันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามีความเคารพเรื่องสายศรัทธาถ้าเรามาเกิดคราวหน้าพระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่มี หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาพาเราไปเราก็ไม่มีทางที่จะไปได้ด้วยตัวเองต่อให้บาเพ็ญบารมีมากน้อยเพียงไรก็ตา ม, มก็ต้องใช้การบาเพ็ญบารมีเป็นแสนกับแสนกับแสนกันเรียนลหว้ตายเกิดเป็นแสนล้านชาติกว่าจะได้ บรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองอย่างเจ้าชายสิทธัตถะพระราชกุมารที่บำเพ็ญเพียงในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอานันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้ามานาทางก็เลยต้องลุยต้องคำทางไปเพราะเป็นเหมือนคนตาบอด ก็ดูที่คนตาบอดไปไหนมาไหนตามนำทางกับคนตาบอดที่มีคนตาดีนำทางนี้อย่างไหนจะสะดวกกว่ากัน<ม>คนตาบอดถ้าไปคนเดียวก็ต้องใช้ไม้เท้า<ม>แล้วก็เคาะไปตามทางข้างหน้าว่าเป็นทางเดินได้หรือไม่มีอะไรขวางหน้านหรือไม่มแล้วก็ไม่รู้ว่าทิศทางที่ตอนนีงไปนั้นไปเหนือหรือไปใต้ ไปตามทางที่ตนเองต้องการไปหรือเปล่าอาจจะไปคนละทิศคนละทางก็ได้แต่ถ้ามีคนตาดีคนรู้ทางมาเป็นคนพาไปจูงไปมันก็จะง่ายแสนง่ายแต่คนตาบอด ก, ก็ต้องขยันเดินตามจริง้ขยันเดินตามนั่นเองการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนเดินตามพระบาทของพระพุทธเจ้านั่นเองเดินตามรอยพระบาทเดินตามพ ร, พระบาทท่านท่านเดินข้างหน้าเราเราก็เดินตามพระบาทท่านไปเดินตามพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเท่านั้นเองง่ายง่ายมากง่ายกว่าการที่จะต้องคําทางไปด้วยตนเอง ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าไปถูกทางหรือไม่ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางวิมุตตินิพานนี้อยู่ทิศทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันถึงยากสำหรับคนที่จะต้องคำทางไปสู่วิมุตตินิพานด้วยตนเองจึงต้องใช้เวลาเป็นแสนกลับด้วยกันกว่าจะเจอทางที่นำไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้ แต่ถ้ามีคนที่หลุดพ้นแล้วมาสอนมาบอกนี่มันก็ง่ายทําตามที่คนที่หลุดพ้นเขาทําเขาว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ต้องทําตามเท่านั้นเองไม่ต้องไปค้นหาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าต้องหลุดพ้นได้อย่างไรด้วยวิธีใด มีคนนำทางมีคนบอกแล้วว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ให้เดินไปทางนี้เดินไปทางนี้เท่านั้นเองในยุคที่มีพระพุทธศาสนาและในยิ่งในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมนี้มีคนบรรลุถึงพระนิพพานนั้นเป็นจานวนมากเลยเพราะพระพุทธเจ้าส่งสอนได้ถูกต้องแม่นยงผู้ฟังก็ฟังเข้าใจได้ง่าย สามารถน้อม น, ำ, นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วยุคแรกๆนี้ทรงไปโปรดแสดงธรรมกับพวกที่มีบารมีสูงหรือพวกนักบวดทั้งหลายผู้ดได้บาเพ็ญบารมีมามากมายขาดเพียงบัญญาบารมีไม่รู้ว่า อ, อะไรเป็นเหตุของทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทาให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด พระพทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพวกนี้ว่าเกิดจากตัณหาความอยากพอดูท่านนี้ก็หยุดความอยากได้เลยพอหยุดความอยากความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดเคยทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับความสูญเสียพัดภาคจากสิ่งที่เราลากบุคคลที่เราลักนี้มันหายไปหมด เพราะรู้ว่ามันก็จากความอยากของเราท่านนั้นเองอ น, นี่คือในยกที่มีพระพุทธเจ้านี่มีผ้าหันเยอะแยะไปหมดนนเพียงเจ็ดเดือนแรกเท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพียงเจ็ดเดือนแรกนนก็มีอย่างน้อยผ้าหันปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเพราะว่าในวันนั้น เจ็ดเดือนหลังจากที่ทรงแสดงธรรมคือวันมาค้าบูชา mm. ก็ประกอบมีพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาจากชาติะละทิศ ต, ต่างๆเพราะว่าช่วงที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าก็บวชให้บวชแล้วก็บอกว่าให้ไปเผยแผ่ธรรม ให้ไปกันคนละทิศคนละทางอย่าไปกระจุกตัวอยู่ทิศใดทิศหนึ่งให้แยกกันไปอย่าไปคู่กันให้แยกไปเดียวเพื่อที่จะได้นาเอาความรู้อันวิเศ ษ, ษนี้ไปเผยแผ่ให้กับคนได้มากได้อย่างกว้างขวางหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอยู่เจ็ดเดือนก็มีความรู้สึกอยากจะมากราบพระพุทธเจ้าทราบซึ่งในพระ พระระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งพระทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาคุณยังอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อมากราบไหว้ก็เลยมีมาถึงหนึ่งันสองรห้าสิรูปเป็นพระอรหันทุกรูปและเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงบวชให้ เนี่ เ, เพียงเจ็ดเดือนพระพุทธเจ้าสามารถผลิตพาาระอรหันต์ขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนะ้ก่อนหน้าที่พุทธเจ้าจะได้ตัดสัลุเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพาาาระอรหันต์อยู่ในโลกนี้เลยแม้แต่รูปเดียวไม่มีใครเป็นพาาาระอรหันต์ได้เลยเพราะความรู้ของแต่ละคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ในระดับที่สามารถที่จะรู้จะเห็น อริยสัจส์่ไตรลักได้ด้วยตนเองนอกจากพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างแก่กล้าเช่นพระเช่นเจ้าชายสิทธัตถานี้เท่านั้นที่สามารถที่หลังจากออกบวชศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่หกปีก็สามารถค้นพบสัธจธรรมความจริงเรื่องของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร ทุกเกิดจากตัณหาความอยากกาม m ตัณหาความอยากเสด็ลูกเสียงกลิ่นลดผลิตภัพฑะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นความอยากได้รูปประชานมีภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากได้อารูปประชานความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์นั่น ก็เลยทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายเพราะเมื่อมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑก็ต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็ไม่สามารถเสพได้พอพออยากแล้วไม่ได้ได้สิ่งที่อยากก็จะทําให้ทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจึงทุกกับความแก่ของร่างกาย ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายของร่างกายอันนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองธรรมะระลับอริยสัจสี่ตายรักนิอนัตตานิสสเพตมาอนัตตาไม่มีใครรู้ความหมายของสัพเพอนัตตาว่าสัพเพสิงสัพเพสิงทั้งหลายไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเป็นเรื่องของเหตุเป็นเป็นเรื่องของ ปรากฏการทางธรรมชาติทั้งนั้นเหมือนกับฝนตกแดดออกน้ําท่วมไฟไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่มีใครไปคนไปเป็นไ ป, ไปเป็นผู้ผลักดันมันไปทามันแม้แต่ร่างกายของเรานี้มันก็เป็นปรากฏการทางธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันเพียงแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเรา หลงคิดว่าร่างกายเป็นเราแต่เราถ้ามันเป็นเราเราสั่งให้มันเป็นตามที่เราต้องการได้หรือไม่สั่งให้มันไม่แก่สั่งให้มันไม่เจ็บสั่งให้มันไม่ตายได้หรือไม่สั่งไม่ได้ถึงเวลามันจะแก่เวลามันจะเจ็บมันจะตายมันก็แก่ไปตามตามขบวนการของมันเป็นขบวนการของธรรมชาติอันนี้ ไม่มีใครรู้ได้ด้วยตัวเองต้องระดับพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีที่แก่กล้ที่ได้บําเพ็ญบารมีมาเป็นแสนกลับแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจหลักธรรมในอริยสัจสี่ในตาลักได้พ <c oughs> อได้เข้าใจอริยสัจสี่ตายลักก็ทําให้หยุดความอยากต่างๆได้พอความอยากต่างๆ กกาจัดหมดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลยนี่คือความสามารถของพระโพธิสัตว์สามารถตัดทะลุธรรมได้ด้วยตนเองนอกากนั้นแล้วไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สอนเท่านั้น พอพระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสลรู้แล้วหลังจากนั้นสองเดือนก็ตัดสินใจว่าจะเอาความรู้นี้มาสั่งสอนแต่ต้อเลือกคนที่ฉลาดก่อนคนที่ไม่ฉลาดสอนแล้วไม่เข้าใจก็เอาเก็บไว้ก่อนเอาคนที่เป็นพวกบัวเหนือน้ำนะเพียงแต่รอให้พาที่ขึ้นในตอนเชา้าก็จะเบ่งบานออกมา ยังไม่ไปสอนพวกบัวอยู่ปิมน้ำหรือพวกบัวอยู่กลางน้ำอยู่เพราะพวกนี้มันยังต้องใช้เวลามากต้องสอนอยู่หลายหลายครั้งหลายๆลรอบจนกว่าจะเข้าใจจนกว่าจะร้องอ๋อแต่พวกแรกนี่พวกบัวเหนือน้ำนี่เพียงแต่สอนครั้งเดียวพูดคาเดียวก็อ๋อขึ้นมาทันทีรู้ขึ้นมาทันทีรู้ว่าต้องทำอย่างไร ดังนั้นในการแสดงธรรมครั้งแรกท่านก็ไปแสดงกับพวกนักบวชผู้มีบรารมีคว ม, มีความพร้อมที่จะตัดสัลุบรรลุธรรมได้ตามพระพุทธเจ้าขาดเพียงแต่ปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมเท่านั้นเองก็เหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่ยังไม่มีผ้าที่โผล่ขึ้นมา พอพาทิตย์โผล่ขึ้นมาปับ๊บก็จะทำให้บัวที่โผล่อยู่เหนือน้ำนี้เบ่งบานขึ้นมาได้ทันทีตร <c oughs> <t ong S 2> <c oughs> งไปตรวจพวกที่มีศีลมีสมาธิอยู่แล้วเข้าฌานได้เก่งทา ง, ทางด้านศีลทางสมาธิแต่ทางด้านปัญญานี้เป็นปัญญาทึบไปหมดเป็นเหมือนคนตาบอดพอพระเจ้าเอาแสงสว่างแห่งธรรมมาเปิดตาเข้าเท่านั้นเอง ก็เห็นอริยสัจสิเห็นไตลักษณ์ต่างที่พระเจ้าทรงสแสดงสามารถหยุดความทุกข์ต่างๆได้ทันทีอ <c oughs> ยุคแรกๆพระเจ้าจะไปโปรดพวกที่เป็นนักบวชก่อนเพราะสอนครั้งเดียวก็จบไม่ต้องมาสอนปากเปียกปากฉีซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่ครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งพวกนี้เป็นพวกบัวกลางน้ํา ส่วนพวกบัวเปลี่มน้ำนี่ก็ต้องรอเวลาสักสองสามวันให้โผล่เหนือน้ำขึ้นมาแล้วถึงจะ บ, บานได้พวกนี้ก็เป็นพวกที่มีสีแล้วแต่ยังไม่มีสมาธิยังต้องสอนวิธีรักษาวิธีเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้อุเบกขาก่อนพอได้อุเบกขาแล้วได้สมาธิแล้วก็สอน อริยสัจสี 4, สอนใยลักก็สามารถที่จะบรรลุทำได้นี่คือพวกที่สองพวกที่มีศีลก็คือหมายถึงพวกนักบวชเป็นพวกบวชแล้วแต่ยังกำลังฝึกสมาธิอยู่แล้วยังทาสมาธิไม่เป็นทำไม่ถูกต้องก็ต้องสอนวิธีทาสมาธิให้ถูกต้องทรงแสดงอริยทรงแสดงสติปัฏฐานสูตร ให้กับพวกที่เป็นนักบวชมีศีลแต่ไม่มีสมาธิให้เจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาแล้วเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเขา้าหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเขา้า ถ้าทำได้จดต่อเนื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เข้าสู่รูปฌปานสี่ได้พอได้สมาธิแล้วก็ฝึกให้ชำนาญก่อนฝึกให้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการอยากจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่เข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็นั่งปุ๊บได้ปั๊บเลย หนาทีสิบนาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้นะพอชำนาญแล้วพอกจากสมาธิมาก็สอนให้พิจารณาไตรักพิจารณาอาริยสัจสี่พอพิจารณาแล้วเกิดความเข้าใจว่าทุกเกิดจากความอยากตัณหาก็ละความทุกข์ทันทีละด้วยมรรคละด้วยไตรักละให้ให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจ์ล้วนเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นของที่ไม่มีใครควบคุมบังครับถ้าให้ให้เที่ยงได้ถ้าไปอยากให้มันเที่ยง ม, ย ม, ม, ม, มันก็จะทำให้ทุกข์ขึ้นมาเวลามันเสื่อมมันก็จะทำให้ทุกข์ขึ้นมาอันนี้พอเข้าใจหลักนี้แล้วว่าอยากกับอะไรไม่ได้เลยทุกสิ่งที่อยากเป็นตายลับหมดเพราะนั้นนิจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขแต่คนที่ไม่ฉลาดจะคิดว่ามีสิ่งในโลกนี้เป็นสุขเช่นโลกธรรมลาบยศสรรเสริญกับการเสพลูกเสียงกลื่อนลดผลตภัชที่ถูกใจอถ้าไปเสพของที่ถูกใจมันก็สุขแต่พอของที่ถูกใจหมดไปก็ทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าไปเสพของที่ไม่ถูกใจเข้าก็ทุกข์ขึ้นมาลาบได้มา พอลาบหมดไปก็ทุกข์ขึ้นมาได้ยศได้ตาแหน่งมาพอมันหมดไปมันก็ทำให้ทุกข์ขึ้นมางนั้นใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นอยากมีอยากเป็นนั้นล้วนเป็นตายรักทางนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจก็หดเข้ามาความอยากก็หายไป เพราะว่าไปหาความทุกข์ทำไมเราเจอความสุขแล้วคือการไม่มีความอยากเวลาเข้าสมาธิเราก็ไม่มีความอยากงั้นถ้าเราหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิเราก็จะได้ความสงบเหมือนกับตอนที่เราเข้าสมาธิแต่เป็นความสงบที่แน่นที่ถาวรกว่าความสงบที่ได้จากสมาธิมันอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว ไม่นานก็ต้องถอนออกมาแต่ความสงบที่ได้จากปัญญานี้มันไม่ต้องถอนไม่ต้องเข้าเมื่อมไม่ต้องเข้ามันก็ไม่ต้องถอนออกมามันทำให้จิตสงบเหมือนกับเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอันนี้ก็คือการสอนพวกที่สองบัวเหล่าที่สองบัวปริ่มน้าเขามีสีแล้วแต่ขาดสมาธิขาดปัญญา พอสอนเสร็จสอนสมาธิเสร็จก็สอนปัญญาต่อก็สามารถบรรลุ ธ, ธรรมตามลำดับได้วนนี้ใช้เวลานานหน่อยอาจจะเจ็ดวันเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดปีไม่เหมือนพวกแรกๆนี่ฟังหนเดียวครั้งเดียวจบฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บบรรลุ ธ, ธรรมได้ทันที <c oughs> แต่พวก <c oughs> พวกที่สองนี้ต้องใช้เวลา ใช้เวลาฝึกสมาธิใช้เวลาพิจารณาปัญญาจนเข้าใจหลักอริยสัจสี่หลักของไตรลักษณ์เราสามารถนำมาไปกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ความทุกข์ก็หมดสิ้นไปจากใจส่วนพวกที่สามคือบัวกลางน้ำนี่ก็เป็นพวกที่มีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อกุศล เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเชื่อกรร ม, มเชื่อรร<ม>ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะนำพาไปสู่<ม>การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ยังเป็นผู้คลองเรือนอยู่ยังไม่มียังมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับครอบครัวการงานหรืออะไรต่างๆอยู่ยังไม่ได้ออกบวช ตรงนี้พระองก็มาสอนให้ทาบุญทาทานให้รักษาศีลห้าไปก่อนแล้ววันพระก็ให้มาถือศีลแปดมหาหัดภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็มาังเทศธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาตรงนี้ถ้าปฏิบัติตามก็จะค่อยขยับทำมากขึ้นเรื่อยๆ ทำบุญทำทานมากขึ้นรักษาศีลห้าได้นา น, นได้มากขึ้นเข้าวัดได้บ่อยขึ้นได้บําเพ็ญ <c oughs> กิจตาภาวนาได้ฟังเทศฟังธรรมในวัดบ่อยขึ้นจนถึงขั้นที่อยากจะออกบวชต่อไปจากบัวกลางน้ําก็จะขึ้นไปเป็นบัวเ ป, ปี่มน้ําแล้วอยากบัวเปี่มน้ําก็จะขึ้นไปเป็นบัวเหนือน้ำํำพอได้สัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรม ก็จะบานขึ้นมาทันทมีมุตเตนิพานก็จะบานขึ้นมาทันทีส่วนพวกที่สีน่นี่เป็นพวกที่ยังยังยังอยู่อยู่ติดกับโคลนตอมอยู่พวกนี้โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ดาวเป็นบัวกลางน้ําขึ้นมาได้นี้คงจะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะถูก ปูปากินเป็นอาหารไปพวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่เชื่อไม่เชื่อกดแห่งกรรมไม่เชื่อว่ารักษาศีลแล้วดียังไงไม่เชื่อว่าไม่เสพอบายามุกแล้วดียังไงพวกนี้ชอบเสพอบายามุกชอบเล่นการพนันชอบเดินชราชอบเที่ยวกลางคืนชอบความเกลียดค้านชอบทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ หกหหลอกลวงประพฤดผิดประเพณีพอพวกนี้เขาคิดว่านี่คือวิธีหาความสุขนี้<ม>พอมาสอนว่าให้ละละการกระทําบาปให้ทําแต่บุญกุศล<ม>ให้ไปชำระใจให้สะอาดก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นความสุขได้อย่างไงในเมื่อความสุขเขาของเขาก็คือการทําบาปของการเสพอบา ย, ยามุขนี้ พรงนี้ก็จะไม่รับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยจะไม่มีวันโอกาสที่ไม่มีโอกาสที่จะจะเติบโตขึ้นมาเป็นบัวกลางน้ำเป็นบัวปิบน้ำและเป็นบัวเหนือน้ำได้พรงนี้พระพเจ้าก็ตัดชักสะพานไม่สอนให้เสียเวลาสอนไปก็เหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัข เคยเห็นเวลาเทน้ําใส่หลังสุนัขไหมว่าสุนัขมันทํำยังไงสุนัขมันก็สะบัดทิ้งเลยสอนทําให้ฟังฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่เอามาจดเอามาจําไม่เอามาคิดไม่เอามาปฏิบัติกลับไปทําเหมือนเดิมบอกให้เลิกการกระทํำบาปก็ยังไปทําต่อบอกให้ไปทําบุญก็ไม่ไปทําบอกให้ไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ปฏิบัติ พรงนี้สอนอยังไงก็ไม่ไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์อย่างไรก็จะไม่สอนพวกที่เป็นพวกที่สี่ น, นี่คือการพิจารณาการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลก <c oughs> พระพุทธเจ้าส่งเบื้องต้นก็สอนพวกที่เป็นบัวเหนือน้ําเก็บพวกบัวเหนืน้ําหมดแล้วก็มาเอาพวกบัวปิมน้ําต่อพอเก็บพวกบัวปิมน้ําแล้วก็มาเอาพวกที่ อยู่กลางน้ำต่อมาสอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติทำทานรักษาศีลแล้วก็วันเสาร์วันพระก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศตังธรรมต่อไปเขาก็จะเจริญจอบโตขึ้นมาเป็นบัวเปรีมน้ำเป็นบัวเหนือน้ำได้ต่อไปดังนั้นจึงมีมีปรากฏว่ามีพระหลันปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้ มีผู้ปฏิบัติสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของตนจากบัวกลางน้ําไปเป็นสู่บัวปิ่นน้าแล้วไปเป็นบัวเห น, นือน้าได้ตามลำดับแล้วหลังจากที่พระเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังมีผู้ที่สามารถทําหน้าที่แทนพระเจ้าได้ต่อก็คือพระอาจาร์ตสาวกพระอาจาร์ตสาวกก็สามารถสอนให้ผู้ที่สนใจ ให้ได้หลุดพ้นให้ได้วิปุตตินิพพานต่อแล้วพวกที่ได้วิปุตตินิพพานก็จะมาเป็นผู้ที่สอนต่อไปพระพุทธศาสนาจึงมีการเจริญลูกเรืองมาอย่างต่อเ น, นื่องเพราะถ้าตราบใดมีผู้รู้ทางมาสอนมาบอกมันก็จะทำให้คนที่ไม่คนที่ตาบอดหูหนวกนี้ได้รับประโยชน์ เมื่อเขาได้รับประโยชน์เขาจะเกิดศรัทธาเขาก็จะเกิดความเชื่อในคำสั่งคำสอนแล้วพยายามปฏิบัติไปพอปฏิบัติจนกระทั่งเขาบุดคพผลแล้วเขาก็เอาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธศาสนาก็เลยจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว อันนี้แหละตัวเหตุที่จะทําให้ศาสนาพุทธยั่งยืนและอยู่ยาวนานก็อยู่ที่ต้องมีการตัดทะลุมีการบรรลุมีการบรรลุวิมุตินิภานคือมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะพระอรหันต์ท่านั้นที่เป็นผู้ที่มีตาดีนอกนั้นแล้วไม่มีตาต า, ตามืดบ่อยกันต้องอาศัยพระอรหันต์เป็นผู้ที่คอยนําทาง นำทางไปเรื่อยๆถ้ามีพระอรหันต์มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็จะมีการเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องน ำ, นำผู้ที่สนใจที่อยากจะไปนิพพานได้ติดตามไปได้แล้วผู้ที่สนใจเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะไปถึงพระนิพพานได้ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ แล้วก็จะมาทบหน้าที่ต่อไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอย่างในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีพระหลวงพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นท่านเป็นหัวหน้าของการเผยแผ่ธรรมท่านบนรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็สั่งสอนผู้ที่สนใจพระที่ไปศึกษากับท่านต่อมาก็บรรลุกัน เป็นพระอาจารย์เป็นพระอะไรกันแล้วหลังจากนั้นท่านเข้ามาสอนพระที่มาทีหลังต่อไปมาศึกษากับท่านพระที่มาศึกษากับท่านก็บรรลุ ธ, ธรรมกันได้เหมือนกันอย่างนั้ตราบใดถ้ามีการบรรลุ ธ, ธรรมมีการเผยแผ่ธรรมมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมตราบนั้นศาสนาจะอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อย ศาสนาของเราไม่ได้อยู่ที่การมีถาวรวัดถุมไม่จําเป็นที่จะต้องมีวัดก็ได้มสมัยพระพุทธเจ้าบาเพ็ญ น, นี่ไม่มีวัด<ม>พระพุทธเจ้าก็อยู่ตามป่าตามเขา<ม><ม>ตามสำนักเล็กๆ<ม><ม>พอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอมไม่ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีสาลามีกุฏิเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ของพวกนี้ บางทีแทนที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมกลับกลายเป็นเครื่องปีดขวางขึ้นมาเพราะจะทำให้ต้องมาคอยำทำยุบํารุงดูแลรักษาหนึ่งเสียเวลาเดี๋ยวปติก็ซ่องเดี๋ยวโบยก็ซ่ออๆเจดีก็ต้องซ่องแทนที่จะเวลาไปไปปฏิบัติก็ต้องเอาเวลามาทำยุบําบรุงถาวรละวัตถอ ปนึ่งก็ต้องเลียลายกันซ่องกระถิ่นกันว่อนไปหมดเพื ท, ที่จะเอาม า, าทำนุบำรุงหรือไม่ก็มาสร้างถาวรละวัตถุใหม่สร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่วันไหนเงินเยอะก็สร้างยใหญ่โตมาโหรานขึ้นมานเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการเจริญของพระพุทธศาสนาเพราะถาวรละวัตถุไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ไม่สามารถสอนคนให้ไปถึงวิมุตตินิพานได้เป็นเพียงแต่เครื่องสนับสนุนเท่านั้นเองแล่ก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรมากเพราะถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วท่านไม่ชอบอยู่วัดท่านชอบไปอยู่ในป่ากันท่านชอบไปทุ ด, ดงตามป่ า, า, ปดด ต, า, ปาตามเขาสมัยหลวงปู่ม่นท่านบําเพ็ญที่เชียงใหม่ท่านก็อยู่กับชาวป่าชาวเขามีแค่เล็กๆกอดลมแดดลมฝนได้ แล้วแต่มีที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากคนห่างใจจากเสียงสีเสียงแสงสีเสียงต่างๆที่มายั่วย้ายั่วยวนจิตใจยัวยวนกิเลสมันก็เลยทำให้ท่านชอบอยู่ตามป่าตามเขาแล้วลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่มาศึกษาปฏิบัติเห็นท่านอยู่ตามป่าตามเขาก็ก็อยู่ตามท่านอยู่ปฏิบัติกับท่าน ก็เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ว่ามันสะดวกสบายมันไม่มีภาระลุงหลังที่ท่าจะต้องมาคอยดูแลรักษาพอมีวัดแล้วมันก็ต้องมีถาวรวัตถุมีศาลามีกุฏิมีอะไรจิปาธะแล้วมันก็ทําให้ต้องมาคอยตำนุบำรุงดูแลแต่ถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขานี้มันไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครไปรบกวน เพราะมันไปยากคนอยากจะทําบุญนี้นไปไม่ได้เพราะท่านอยู่ที่ที่รถวิ่งเข้าไม่ถึงต้องเดินเป็นกิโลกิโลเข้าไปเนี่ยพระปฏิบัติจริงๆท่านไม่ต้องการมีวัดท่านต้องการที่ที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่จะได้บำเพ็ญมรรคผลนิพพานทันั้นเองดังนั้นแล้วท่านไม่ต้องการอะไรปัจจัยสี่ก็พยายามใช้อย่างมักน้อยสันโดษจริง อาหารก็บินทบาทกินวันละมือ้อกินในบาทจะได้ไม่ต้องมามีภาชนะไม่ต้องมีชอม้อนไม่ต้องมีจานมีช้อนมีซ่อน ม, มีอะไรมาอาบาดนี่แหละบาดนี้เป็นเป็นของที่นานานานาประโยชน์ใช้ได้หลายประโยชน์ใช้เป็นเป็นบาตรับรับอาหารเวลาบินทบาทแล้วเอามาเป็นเหมือนเป็นชาม อามาใส่อาหารจินแล้วเวลาไปทุ่งดงท่านก็ใช้เป็นกระเป๋าเอาเอาผ้าจีวรใส่เข้าไปของบริขารอุปกรณ์ใส่เข้าไปแล้วท่านก็เดินไปตามป่าตามเขากลางมีกดมีหิ้วกดไปอันหนึง่งมีกดมีมุ้งไปตอนนี้ท่านก็อยู่ได้แนละท่านก็เลยมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ แต่ถ้ามาพ อ, พอมาสร้างวัดปั๊บนี่ mm. เดี๋ยวก็มีคนนู้นคนนี้ก็เข้ามาอยากจะเข้ามาศึกษา mm. มีถ้าตนเองยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งไปตั้งวัดอย่าไปอย่าไปมีวัดเ mm. พราะจะไม่มีเวลาปฏิบัติให้กับตนเองเ mm. พราะพอมีวัดแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาหามาขอที่อยู่อาศัยในวัดละขอบวชขออยู่ขอปฏิบัติขอศึกษา mm. แล้วถ้าที่ไม่พอ ก็ต้องเพิ่มสร้างเพิ่มขึ้นไปอีกก็มีแต่เรื่องก่อสร้างกันไปทำนุบำรุงกันไปดูแลรักษากันไปเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติก็ไม่เข้มขน้นเหมือนกับเวลาไปทุ ด, ดงแต่วัดที่เป็นวัดป่าเขาก็จะคอยคอยควบคุมเรื่องกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้มีน้อยที่สุดเช่นก็อนุญาตให้ญาติโยมไปวัดได้ก็ตอนเช้า ถ้าอยากจะไปทำบุญสายบาทก็ไปเพียงตอนเช้าทำบุญเสร็จสายบาทเสร็จฟังเทศฟังธรรมเสร็จก็กลับบ้านปิดวัดไม่รับแขกรับคนีต่อไปมีรับได้เวลาเดียวสำหรับบางวันเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ให้มีใครเข้ามาเข้าออกมารบกวนเวลาคนเข้าออกบางทีมันก็มีเสียงดังมันก็ไปรบกวนผู้ที่กำลังบำเพ็ญกิจกมภาวนาอยู่ วัดวัดป่าที่ดีเขาจะรู้เขาจะคอยควบคุมกิจกรรมอื่นๆที่ไม่จำเป็นให้มีน้อยที่สุดสมัยที่อยู่กับหลงตานี้ท่านจะรับแขกแค่สองเวลาตอนเช้าตอนที่ฉันวินาบาทฉันแล้วก็ตอนบ่ายสองโมงท่านก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาม า, มาหาได้มาทำบุญมาศึกษามาถามธรรมะอะไรต่างๆได้ท่านจะมีให้เวลาเท่านี้เอง แล้วก็สําหรับาพาที่อยู่กับท่านนี้ท่านก็จะไม่ให้ออกไปรับกิจนิมนต์เพราะการรับกิจนิมนต์นี้มันก็ทําให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปแล้วก็เป็นการเอาเอาใจที่เย็นไปสู่ไปสู่กองเข้าสู่กองไฟพอเวลาออกจากวัดนี้มันก็ต้องไปเห็นรูปเสียงจิตลดต่างๆไว้รูปเสียงจิตรดเดี๋ยวกิเลสตัณหาความโลภความอยากมันก็เกิดขึ้นมา พอ เ, เกิดขึ้นมาก็ทําให้ใจร้อนขึ้นมาทันทีพอกลับมาวัดแล้วมันก็ยังไม่หายร้อนทันทีบางทีก่อนจะหายร้อนได้เป็นวันเลยก็มีเพราะใจไม่เวลาไม่มีสติมันก็ไปคิดถึงรูปเสียงกิ่รสที่ไปสัมผัสรับรู้คิดแล้วก็อยากอยากนู่นอยากนี่ขึ้นมาท่านเห็นโทษของการรับกลิ่นนีน่หมดสำหรับผู้ที่จิตยังยังยังไม่ปลอดภัยจากความทุกข์จากกิลเลส ท่านก็จะไม่ให้ไม่ให้รับปิดนิมนต์เวลาใครมานิมนต์ท่านที่วัดนี้ท่านถ้าเขาต้องการพระเก้ารูปท่านบอกว่าไปไม่ได้เรพระเก้ารูปถ้าจะเอาเราก็อย่าเอาเราไปได้องเดียวท่านยอมไปแต่จะไม่ให้พระอีกเก้ารูปไปกับท่านให้เขาเลือกเอาว่าจะเอาใครดีเอาพระเก้ารูปหรือเอาท่านถ้าเอาท่านก็เอาท่านไปองเดียวก็พอ แล้วให้ไปหาพระที่อื่นไปรวมไปร่วมเพราะบางทีก็ยังขัดศรัทธาไม่ได้เพราะการมีวัดนี่ก็ต้องอาศัยศรัทธาการสนับสนุนจากญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลและบางทีถึงเวลาที่ก็อยากบำเพ็ญกุศลเขาก็อยากจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปแล้วก็นิมนต์พระที่อยู่ในวัดไปด้วยท่านก็เลยต้องยอมรับ แสำหรับตัวท่านแย่สําหรับพระในในวัดนี้ท่านไม่ให้ไปด้วยแม้แต่เวลาเข้าพรรษานี่ท่านก็ไม่พาพระเนยออกจากวัดไปทําวัดกับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านบอกว่าทํากับท่านองเดียวก็พอแล้วเหมือนกันครูบาอาจารย์ทุกลูกก็สอนอย่างเดียวกันออกไปแล้วมันก็เสียเวลากับการปฏิบัติคือได้น้อยกว่าเสียก็เลยไม่ไป อย่ที่ท่านไม่เคยออกจากวัดไปทำวัดกับวั ด, วดครูบาอาจารย์ต่างๆเลยทั้งนั้นก็มีครูบาอาจารย์หลายลูกที่มีอวุโสมากกวาหลวงตาแต่หลวงตาท่านไปองค์เดียวท่านไปทำวัดองค์เดียวพระเนรท่านก็ให้เก็บไว้ในวัดท่านรู้พิษรู้ภัยของการออกจากวัดไปแล้วพระที่ไปอยู่กับท่านนี่ก็ต้องอยู่กัอยู่อยู่ให้ได้ห้าพรรษาก่อน ถ้าอยากจะขอลาไปปีกวิเวกไปทุ ด, ดงอะไรทานองนี้ก็ต้องให้ได้ห้าพรรษาก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าห้าพรรษาจะอนุญาตนะก็ต้องดูกำลังจิตกำลังใจก่อนว่ามีกำลังพอที่จะสู้กับกิเลสหรือไม่ถ้าไม่มีออกไปแล้วตายท่านก็ไม่ให้ออกไปออกไปแล้วเดี๋ยวเึกนี้ก็ท่านก็ไม่ไม่ให้ไปดีกว่าให้อยู่ในวัดดีกว่า ถ้าอยากจะไปฝืนไปไม่เชื่อคําสอนก็ไปแล้วต้องไปไม่กลับไม่ัดไปแล้วท่านก็จะไม่รับกลับมามาอยู่กับท่านนี่ถ้าใครขัดขดืนคําสั่งคําสอนของท่านแล้วก็ถือว่าแยากทางกันได้นะไปคนละทิศคนละทางนี่แหละคือความเด็ดเดี่ยวของครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตาต่อต่อลูกสิทธิ์ของท่านอา ร, ระที่มาศึกษากับท่านท่านการต้องการที่จะ เอือประโยชน์ให้มากที่สุดพยายามป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ด้วยการกระทําอะไรต่างๆที่ไม่ควรจะกระทํานี่แหละคือโอกาสคือสิ่งที่ดีถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปพบกับครูบาอาจารย์แบบนี้ท่านจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการ อยู่อยู่ตามที่ของตนเองที่อยู่อาศัยก็จะแยกกันอยู่ไม่ให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ให้อยู่รวมกันกุฏิใครกุฏิมันแล้วก็ไม่ให้ไปคุยกันจับเข่าคุยกันท่านจะเดินคุมคอยตรวจวัดอยู่เรื่อยๆวัน 2, ละสองสามรอบหรือว่ามีใครมานั่งจับกลุ่มคุยกันหรือเปล่าถ้าเห็นเข้าเห็นเข้าครั้งแรกท่านก็าอาจจะไม่พูดอะไรถ้าเห็นซ้ำอีกเดี๋ยวท่านก็บอกว่าท่านไปดูกว่าอย่าอยู่ที่นี่เลย อยู่แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรที่นี่ไม่ใช่เป็นที่มานั่งคุยกันที่นี่เป็นที่มานั่งภาวนานี่แหละต้องหาได้ครูอาจารย์แบบนี้ที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มข้นท่านบอกว่าถ้าไม่เกรงใจคนท่านเกรงธรรมเพราะถ้าเป็นเกรงใจคนทำก็แหลกแล้วอีกอย่างหนึ่งในวัดท่านนี้จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน ใครมาทะเลาะวิวาสแล้วมาฟ้องท่านนะท่านบอกผิดทั้งคู่ไปทั้งคู่เลยเออกจากวัดไปทั้งคู่ถ้าถูกแล้วไม่ต้องมาทะเลาะวิวาสกันถูกก็ให้เฉยเสียเท่านั้นเองวิธีถูกก็คือไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันก็สแสดงว่าไม่ถูกแล้วท่านจะให้ให้ท่านเลือกข้างอ่ะข้างนี้ถูกข้างนี้ผิดถ้าไม่เลือกท่าบอกผิดทั้งคู่ไปเลยเออกจากวัดไปเลยท่านรับคนยากแต่ไล่คนง่าย ถ้าทําอะไรผิดปั๊บนี้ท่านไม่เกรงใจถ้าเห็นว่าต้องให้ออกจากวา่าท่านก็ให้ออกจากว่าไปว่าถึงจะอยู่ได้อย่างสงบอย่งนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอยู่เรื่อยๆคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้แล้วก็ไปฟ้องถ้าใครไปฟ้องก็โดนก่อนเป็นมาฟ้องทําไมเรามาปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบให้นิ่งให้ระวางเฉยไม่ใช่มาวุ่นวาย นี่แหละคือสิ่งที่ตัวอย่างของการทังสอนของครูบาอาจารย์ที่เข้มข้นทั้งหลายวัดต่างๆที่เหมือนกันหลงตา น, นี่ก็มีอยู่เยอะ<ม>เข้มขน้นปวดขันไม่ให้เอาสิ่งภายนอกเข้ามาสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ม, มีแต่โทรศัพท์มีแต่โทรทัศน์มีไฟฟ้าท่านก็ไม่ให้เอาเข้าวัดเลย<ม>โทรศัพท์ก็ไม่ให้เข้าวัดไฟฟ้าก็ไม่ให้เข้าวัด เทวทัตก็ห้ามเข้าวัดวิทยุก็ไม่ให้เข้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้เข้าเ<ม>พอของพวกนี้ท่านบอกมันเป็นเทวทัศน์มากกว่าโทรทัศน์ต ม, มันเป็นตัวมาทําลายาศาสนาตัวที่จะมาทําลายจิตใจพระเนรให้แตกให้แตกให้แตกกระจายจนกระทั่งไม่สามารถตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้<ม>ท่านห้ามหมดท่านมีความรู้รอบครอบเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ดี ถ้าได้ไปถ้าได้ไปอยู่กับวัดแบบนี้แล้วก็จะก็จะดีถ้าเราอยากจะปฏิบัติอย่างเข้มข้นจริงจังก็คนรศึกษาหาดูก็ไปทางสายหลวงตานี่ก่อนก็ได้ไปถามคนที่อยู่ที่วัดป่าบ้านตาลก็เห็นว่านุสิตหลวงตามีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ลองไปกราบท่านดูลองไปขออยู่ชั่วคราวดูว่าเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไระ แล้วเราก็ลองอยู่ครับถามท่านดูว่าถูกจริญกับเราหรือเปล่าแล้วถูกกระจริตกับท่านหรือรเปล่ปลกกบบาบางทีท่านก็อาจจะไม่ให้อยู่นานก็ได้บางทีท่านก็จะให้ไปกลับไปกลับหลายๆลครั้งก่อนจนกว่าท่านเห็นว่ามีความแน่วแน่มีความตั้งใจจริงจังที่อยากจะอยู่กับท่านท่านก็อาจจะให้อยู่นานขึ้นต่อไปเน้นผู้ที่จะหาที่อยู่ปฏิบัติธรรมหาครูบาอาจารย์นี้ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนพอสมควร พราะจะต้องผ่านข้อสอบต้องมีการสอบเอ็นท่านข้อสอบเอ็นท่านก็คือรับกับอารมณ์ของท่านได้หรือเปล่ารับกับการดูดดาว่าเก่าได้หรือเปล่ารับกับการที่อาจจะต้องเสียอกเสียใจจากการที่ไม่ได้ได้สิ่งที่อยากได้หรือเปล่าถ้าไปยังที่อยู่กับผู้อยากจะไปอยู่กับผู้บาอาจารย์นี่ต้องหัดทําใจเป็นสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิด ท่านจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่ก็เป็นเรื่องของท่านท่านจะให้ไปเออถ้าขออยู่ไม่ได้ก็ท่านต้องไปก็ต้องไปไม่ไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่ไปจู้จี้จุกจิกเลือกที่อยู่ไว้ขออยู่ปุฏินั้นอยู่ปุฏินี้แล้วแต่เขาจะจัดให้อยู่อาหารก็ตามมีตามเกิดไม่ใช่ไปจู้จี้จุกจิกบางคนมีสตงังคี่ว่ามีสตงังแล้วไปสั่งซื้ออาหารมาได้ อันนี้ก็เป็นกิเลสติดรสติดชาติของอาหารอันต้องกาให้เราฝึกกินง่ายๆอยู่ง่ายๆกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่อดับความหิวของร่างกายกินเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายทั้ง น, นอาหารอะไรก็ได้ถ้ากินแล้วท้องไม่เสียก็ใช้ได้กินแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ได้ซึ่งอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ถูกกับเราก็ได้ พ ร, พระต่างชาติที่ไปอยู่ที่นั่นเขาก็ต้องตินข้าเหนียวมันครูบาอาจารย์จริงบางองค์เขาเข้าเหนียวมันมันมันมันแข็งเขาก็เลยเทน้ําเข้าไปแต่ให้มันนิ่มเพราะเ <laughs> ขาไม่เคยกินข้าเหนียวแต่เขาก็อยู่ได้เพราะเขาไม่ค่อยกังวลเรื่องของการกินการอยู่เท่าไหร่เป้าหมายของเขาก็คือต้องการที่จะศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่บรบรลุธรรมแล้วที่จะช่วยให้เขาได้บรรลุธรรมต่อไป อย่งผู้วหวังทำแล้วไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กังวลกับเรื่องอย่างอื่นต้องวาอย่างเดียวว่าที่นั่นมีที่ที่สงบสงัดที่เอื้อต่อการปฏิบัติหรือไม่และมีครูบาอาจารย์ที่เก่งที่จะสอนเขาได้หรือไม่ท่านของข้อนี้ท่านเห็นสำหรับผู้ที่หลุดต้องการจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ทำทำแท้ทำจริงนอกนั้นก็เฉยเฉยพอพออยู่พอกินได้ก็อยู่ไปกินไปที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ก็อยู่ไป ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ผู้ที่จะเดินสูพ่พระนิพพานนี้ต้องเป็นคนแบบนี้ต้องเป็นคนกล้าหาญเป็นคนที่ไม่จูจจ้จี้จุกจิกเป็นคนที่ยินดีตามมีตามเกิดเรียบง่ายไม่ต้องการมีอะไรมากกว่าเท่าที่จาเป็นจะมีแล้วก็มีความอดทนาะจะมีการทดสอบกันอยู่เรื่อย อยู่กับปุบาจาง น, นี้ท่านมักจะมีวิธีกระตุ้นสติเราอยู่เรื่อยพอเราทําอะไรเผลอ น, นี่โดนเลยนีโดนด่าต่อหน้าญาติโยมเลยมันก็เลยทําให้ไม่กล้าเผลอเวลาอยู่ต่อหน้าท่านนี่สติสตังมันดีมันจะไม่กล้าคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวเอาฝนจะมาอีกแล้ววันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคุยเรื่องของการเอาเวลามาทําประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อย่าประมาทกับเวลาที่อาจจะหมดไปได้วันนี้หรือพุ่งนี้ก็ได้สำหรับราวังคนถ้ามีเวลารีบเอามาศึกษามาปฏิบัติทำกันโอเคอนุโมทนายะถาวาเลวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปติ อิชิตังปฏจจิตังจุมหังคิปเมวะสมิจชตุสัพเทปุเรนตุสังขปาจันโทปนะยะโสยัาม a, a n u ชติ y อระโสยัาสับีติโยวิวัชันตุสัพพโรุขวินัสตุมาเตภวัตวันตาลายุสุขีทีทาโยโกภะวะ อภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวะทานติอายุวนโนสุขังภาลัางช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย อย่ามาถามตอนที่เราเลิกแล้วนะเลิกก็จะไม่สะดวกที่จะตอบอยากจะถามอะไรถามได้ตอนนี้เลยวันนี้มีผู้ติดถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้าทางเพจทางยูทูบถ้ามีสัญญาณนะแล้วก็ก็มีท่ น, นี้นะวันนี้มีผู้ติด ต, ตา ม, มทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุตจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติ437ท่าน YouTube พระสุชาติ l ล v e 321 y o u t บ b e Dr. V ว53 c l ับ h ฮ u s e 7วิทยุออนไลน์8นาคุต95รวมทั้งหมด921ท่านค่ะก็ถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังทางบ้านค่ะกรณีแม่โกหกลูก แม่จะบาปไหมคะก็แล้วแต่ว่ามีเจตนาดีหรือไม่ดีถ้ามีเจตนาดีแค่เป็นกุศโลบายก็ไม่บาปเช่นมีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งแม่กับลูกไปหา ป, าปาหลาปลาไหลในในลำลำ้วยลูกเห็นแม่จับปาลาไหลลูกก็เห็นงูก็จับจับงูแต่ไม่รู้ว่าเป็นงูพอแม่หันมาเห็นเข้าตอนต้นก็ตกใจ แล้วก็ได้สติบอยจับให้แน่นนะตัวนี้ดีนะอย่าให้ปล่อยนะให้มันไปนะถ้าถ้าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเป็นการมีเจตนาดีเพื่อผลที่ดีนะอันไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อปกปิดความชื่อของต น, นแล้วกันถ้าพูดปลดเพื่อปกปิดความชื่อของตนอันนี้ไม่ดีผิดแล้วยอมรับสารภาพดีกว่าจะได้ไม่กล้าทำใหม่ ถ้าปลี่ดนเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ทำนี่มันก็เหมือนการหลอกคนว่าตัวเองเบอริสุทธิ์แต่ตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์แต่อย่าง้นคำถามจะพูดแล้วฟังทางบ้านค่ะ หากเรามีความจำเป็นต้องแจ้งที่อยู่หรือตำแหน่งของผู้ร้ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ร้ายเกิดการประทะ ก, กันผู้ร้ายหรือตำรวจต้องเสียชีวิตอย่างนี้เราผิดศีลหรือได้บาปไหมครับไม่ไดเ้เราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราไม่ได้เป็นผู้กระทำคนกระทาเป็นผู้ที่รับบาปคนที่คนที่ฆ่านี่บาป คำถามจากผู้รับฟังทางบ้านค่ะมีความกังวล <c oughs> มีความกังวลเรื่องศีลหุงข้าวแล้วมีมดในข้าวเวลาล้างข้าวแล้วมดตายแบบนี้ผิดศีลไหมคะอะไรกินข้าว้าไปแล้วมดตายหุงข้าวค่ะก็ถ้าเห็นก็เอามันออกก่อนสิถ้าปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่าเราเราฆ่ามันเพราะเรารู้ว่าถ้าเอามไม่ออกไปนะ ไ, ไปหุงมันก็ต้องตาย ก็ต้องปากมันออกไปก่อนคำถามจากผู้รับฟังทั้งบ้านค่ะพระมาบินทบาตผ่านหน้าบ้านท่านไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยเราใส่บาตไปแล้วอุทิศบุญให้แก่ญาติพี่น้องบุญนี้จะถึงญาติเราไหมคะเถึงบุญเกิดจากการให้ของเราไม่ได้เกิดจากผู้รับ ผู้รับจะเป็นดีคนดีคนชั่วไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญนม้แต่ให้ให้สัตว์โดยกระฉาญก็ได้<อ>ก็ได้บุญเพราะฉนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ผู้ให้ว่าจะให้ให้ด้วยจุธนาอย่างไรให้ด้วยความปรารถนาดีอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ด้วยความเมตตาก็าจะได้บุญแต่ถ้าให้เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน ให้เราหวังว่าอหลวงพี่มีภาคเครื่องให้ให้หรือเปล่า อ, อานนี้ก็จะไม่ได้บุญเพราะเป็นหมือนกับการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเหมราไปซื้อของที่ร้านแล้วก็ให้เงินเข้าไปเพราะว่าให้ของเรามาอันนี้ต้องไม่ให้แบบโดยที่ไม่มีความต้องการผลตอบแทนจากผู้รับของของเราให้แล้วก็แล้วไปแม้แต่คำว่าขอบคุณก็ไม่ต้องการ เขาจะไม่ขอบคุณเขาจะไม่กระตันอยู่ก็เรื่องของเขาเห็นได้ ว, ว่าเราสงสารเขาเห็นเขาเดือดร้อนก็เช่วเข้าไปอย่างนี้เราจะได้บุญเยอะได้ความสุขใจแต่ถ้าให้แล้วหวังผลตอบแทนพอไม่ได้ผลตอบแทนก็จะเสียใจบุญที่ได้ก็อาจจะถูกความเสียใจมาลบล้างไปก็ได้คําถามจะผู้รับฟังทางบ้านค่ะผมช่วยเหลือคน ที่เอาที่ดินไปจำนองกับธนาคารให้ไขถอนออกมาแต่แล้วเขาไม่โอนที่ให้ผมกับเอาไปขายให้คนอื่นแล้วคืนเงินที่ผมช่วยไปแค่ครึ่งเดียวพอสอบถามขาวบอกว่าให้ไปฟ้องเอาแต่คดีหมดอายุความแล้วผมพยายามจะทำใจคือผม อาจจะเอาของเขามาแต่ชาติก่อนก็พอทําใจได้แล้วครับแต่ยังมีคิดบ้างเล็กน้อยผมจะทําอย่างไรถึงจะไม่ให้คิดถึงที่ช่วยเขาไว้ครับคิดถึงแล้วจะน้อยใจตนเองครับก็อย่าไปคิดเลยเวลาคิดจะใช้พุโทโธหยุดมันมต้องพุโทโธพุโทโธไปคิดว่ามันเปนของที่ผ่านไปแล้วเหมือนความฝันความฝันแล้กลับไปเปลี่ยนมันได้ไหมเมื่อกีนนี้เราฝันอย่างนั้นเร่างนี้เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ ก็ปล่านมันถือว่าเป็นความฝันไปแล้วอดีตเป็นความฝันไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันให้เสียเวลาคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะพระอนาคามียังเป็นคารวะาได้ไหมครับแล้ว ย, ยังมีคู่ได้ไหมครับคื อ, อาะเป็นได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวนะคือมันจิตใจของท่านไม่ได้เป็นคาวาแนะวท่านไม่ไม่ได้หวั ง, วงที่จะเสดรูปเสียงกจิตลดเสดกรามกับใครแนละ้ว ที่ท่านจะอยู่ที่ว่าท่านยังมีภาวะอะไรที่ยังไปบวชไม่ได้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นได้มไม่ใช่อยู่ว่าพอเป็นพระนาเคิลปั๊บจะต้องไปบวชทันทีเป็นพระแนาวแล้วต้องไปบวชทันทีบางทีมันยังอาจจะมีภาระมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่พร้อมที่จะไปบวชก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ใจท่านเป็นพระแล้วท่านท่านหลุดพ้นแล้ว คำถามจะพูดรับฟังทางบ้านค่ะเมื่อสี่ปีที่ผ่านมานั่งสมาธิที่บ้านช่วงหนึ่งเข้าสู่ความสงบได้ดีมากๆจนไม่อยากกินอาหารเลยเกินยี่สิบวันถูกจเจดิตกับการอดอาหารถ้าไม่เข้าสมาธิจะเอ้ยถ้าไม่กินอาหารจะเข้าสมาธิได้ง่ายโล่งสบายแต่สงสัยเราจะบ้าหรือเปล่ากลัวว่ามันจะเป็นอันตรายไหมก็เลยหยุดนั่งสมาธิ พอเริ่มกลับมานั่งเมื่อแรกเริ่มนั่งแป๊บเดียวก็ทรมานมากเพียงแค่ฝึกไม่ขยับเปลี่ยนอริยาบทถ้าม่ครบหนึ่งชั่วโมงเราวิเคราะห์เจอว่ายังไงก็หนีความเจ็บไม่พ้น ครั้งนั้นเลยดูความเจ็บแล้วยอมรับมันอยู่ๆความเจ็บที่บีบคั้นอยู่ก็เหมือนระเบิดหายไปเลยโลง่งเหลือแค่ว่ายังมีความรู้สึกเจ็บอยู่ไม่เกิน20เอร์เซนเลยเห็นว่าปัญหาคือใจที่ไม่ยอมรับมากกว่าจากนั้นมานั่งสมาธิไม่เคยเจ็บทรมานเลยสี่ชั่วโมง6กชั่วโมง8ดชั่วโมงก็ไม่เจ็บทรมานจึงสงสัยว่ายังไปต่อไม่สุดหรือเปล่าควรจะนั่งต่อเป็นสิบชั่วโมง หรือควรทำอย่างไรต่อกลับขอพระอาจารย์เมตตาชี้ทางด้วยค่ะคือการนั่งสมาธินี้ไม่เราไม่ต้องการชั่วโมงเราต้องการผลที่จากนั่งสมาธิก็คืออุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาใจเรานิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้แล้วเราจะนั่งต่อไปก็ได้ไม่นั่งต่อไปก็ได้ถ้าเรารู้จกักทำใจให้เป็นอุเบกขาได้แนละ้ว แต่ท่านนั่งยังไม่เป็นอุเบกขาก็ต้องนั่งต่อไปจนกว่ามันจะเป็นอุเบกขาขึา้นมาระวางเฉยจะนิ่งเฉยได้ถ้านิ่งเฉยได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องนั่งงานก็ได้ยังไม่มีคําถามค่ะเสียงน้องนี่รบกวนไหมถ้ารบกวนก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขากาเฉยเฉยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลำคาญก็ถือว่ามีอุเบกขา กาบนมัสการค่ะพระอาจารย์คืออันนี้เป็นคำถามที่หนูมีความสงสัยอะค่ะว่า หนูเจอกลุ่มคนบางบางบางคนอ่ะที่พระอาจารย์พูดเรื่องบัวแต่ละแต่แต่ละแต่ละชั้นใช่ไหมคะแต่ละประเภททีนี้น่ยหนูเจอบางคนที่เขามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากชอบทําบุญแล้วก็แต่ว่าเขาอาจจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอนไม่ตรงตามหลักอะค่ะหนูเลยอยากจะทราบว่าเออทำไมถึงถึงมีเหตุปัจจัยอะไรทําให้ถึงเป็นแบบนี้คะพระอาจารย์ หมานถึงเป็นเหตุบัใจยของใครของของคนที่เขามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่เขาดันไปเจอหมายถึงว่าเจอครูบาอาจารย์ ท, ทั้งที่เป็นพระและเป็นคารวาที่ที่สอนในทางทั้งทั้ง u b e หรือในช่องโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็กลายเป็นปลูกฝังความเชื่อทีอ่มันไม่ถูกต้องตามตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนนะคะก็เขาขาดปัญญาไงเขาไม่มีปัญญาเขาไม่ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงก่ ศึกษาจากพระไตรปิฎกมงคนลระสูตรนี่ศึกษาว่าการทําบุญนี้เป้าหมายคืออะไรการทําบุญก็เพื่อชนะความตันีิความโลภอะไรความหลงความอยากต่างแล้บางทีเข้าไปติดกับอาจารย์ติดกับรูปของท่านติดกับเสียงของท่านค่เห็นหน้าท่านเห็นได้ยินเสียงท่านแล้วมีความสุขกาะทุ่มเททุ่มเทเหมือนกับทุ่มเทให้ดาลาย่างี้ ใ ห, ให้ดูเลยอให้ดาราเขารู้จักเร า, เ, าเราเป็นอฟซี C สําคัญเลยค่ะก็แสดงว่าที่ทพระอาจารย์เทศคือถ้าสนใจพระพุทธศาสนาก็คืออย่างแรกให้ศึกษาพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ลําดับที่สองคือหาครูบาอาจารย์แล้วลองดูว่าท่านสอนตรงตามหลักพระไตรปิฎกไหมไอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านสอนเพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์สอนให้เพื่อเราไ ป, ไปรับใช้ท่าน ท่านสอนให้เราให้เราเป็นลูกศิษย์ของท่านมารับใช้ท่านค่ะถ้าครูบาอาจารย์จริงๆท่านไม่ต้องการให้ใครมารับใช้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามกับพระอาจารย์คือตอนเนี้ค่ะธรรมอาอาขามีการเผยแผ่คือนอกจากที่เป็นพระแล้วว่าค่ะก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ที่เป็นคารวาสที่สนใจในหลักธรรมคําสอนแล้วก็สอนทางช่องเดี๋ยวนี้ก็คือติ๊กตอกก็จะมีเยอะค่ะแล้วก็จะมีการสอนที่ อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าโดยอาจจะเจตนาไม่เจตนาแบบนี้นี่ถือว่าคนที่สอนติดกรรมไหมคะพระอาจารย์คนที่สอนก็หลงแล้วก็พาคนอื่นก็หลงด้วยค่ะเป็นเป็นเป็นบาปไหมคะก็ถ้าสอนให้เขาไปฆ่าคนก็บาปค่ะถ้าบอกว่าฆ่าคนไม่บาปนี่มันก็มันก็บาปโกหกสารไม่ตรงกรับหลักธรรมคาสอนก็ถือว่าโกหกพูดปด ค่ะพะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพอาจารย์น้วงพ่อคะขอถามเสริมค่ะแล้วที่สอนสอนให้เป็นคนดีลคะค่ะแต่ว่าสอนให้ติดในดูดวงอะไรแบบนี้คะ่ะดูดูดวงดูดวงเจ้าค่ะเจ้าค่ะดูดวงแล้วก็เชื่อพญานาคอะไรพวกนี้ใครใครเชื่ อ, อครูบาอาจารย์ต่างๆอะไร อ, อ๋อ ทางศาสนาพุทธสอนดวงอย่างเดียวก็คือกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละคือดวงทางพุทธศาสนาถ้าสอนเรื่องเรื่องดาวราหูดา ว, ดา ว, ดาวอะไรมาชนกันแล้วเจออะไรกันนี้อันนี้มั่วท่นั้นอ่ะมันไม่จะเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องจริงแต่อย่างใดแต่เชื่อกันมา คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะอกหากจากความรักหลังจากเลิกกันไม่กี่วันผู้ชายลงรูปผู้หญิงคนใหม่แบบไม่ไม่แคร์หัวใจเราเลยนอนนั่งสมาธิคิดถึงแต่หน้าเขาแล้วอยู่ๆบางครั้งก็รู้สึกแค้นสิ่งที่เขาทำกับเราค่ะหนูต้องฝึกจิตใจยังไงคะก็เราต้องฝึกใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้มีก่อนมีดับเป็นธรรมดา เมื่อดับแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ก็ก็ปล่อยมันไปผ่านไปล้วก็มู่งอ่อนไปแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่าไปมองไปข้างหลังยังไม่มีค่ะมีคำถามหรือเปล่าเข้ามากรรมาการเจ้าค่ะพอดีเป็นผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนะักก็เลยอาจจะถามคำถามง่ายๆนะคะเวลาที่เราเริ่มต้นนั่งสมาธิถ้าเรามีความเจ็บ บวดทั้งขาขาหรือหลังอย่างนี้เจ้าค่ะเราต้องพยายามอดทนไม่ขยับแล้วก็ให้ดูหรือว่าสามารถขยับได้เจ้าค่ะเมื่อต้องพยายามพุโทโธให้มากขึ้นนั่งพุโทโธพุธโทโธกปอย่าหยุดพุโทโธให้อยู่กับพุโทโธแล้เดี๋ยวใจก็จะเบาใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ลาคายกับอาการเจ็บจะอยู่กับความเจ็บได้ แปลว่าให้เราย้ายจีไปอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่ต้องขยับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับความเจ็บนั้นเข้าใจถูกใช่ไหมคะคือถ้ามันดูลมแล้วมันยังเจ็บอยู่ยังทรมารอยู่ก็เปลี่ยนมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธแทนอย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บให้ลืมความเจ็บให้ได้พอเราลืมความเจ็บแล้วอาการเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจเราต้องมีแรงดึงใจออกจากความเจ็บอันนี้ใจไปผูกกับความเจ็บอย่าให้ความเจ็บหายยิ่งอยากให้หายยิ่งทรมาร เราต้องพยายามอยุดไอ้ตัวนี้ใหได้ตัวความอยากด้วยการดึงใจออกจากความเจ็บไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บพ อ, อไม่คิดถึงความเจ็บใจก็จะกลับมาสงบแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้ขอบพระคุณจ้าค่ะแล้วก็ที่ระหว่างฟังเทศคือถ้ายอย่างนี้โยมต้องหัดนั่งสมาธิให้เป็นสมาธิก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาทำอันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมคะก็ต้องทําต่างวละช่วงนั่งสมาธิก็ทําสมาธิอย่างเดียว เวลาไม่ได้ทำสมาธิแล้วค่อยมาทำปัญญาเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็มานึกถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตานะ้ากลาวขอบพระคุณจ้าค่ะยังไม่มีคำถามค่ะโอเคไม่มีก็ท่านนี้ก่อนนะสาหรับวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต